ยาซีเรียกเรื่องค่าของสามัญสำนึกปัญหาบางอย่างคำตอบอยู่ใกล้ๆและง่าย แต่ผู้แก้ปัญหาในยุคไฮเทคนี้มักจะคิดมากหลายชั้นหลายเชิงนำเอาทฤษฎีอันสลับซับซ้อนต่างๆเข้ามาประกอบการคิดนั้นเป็นสิ่งควรทำสำหรับปัญหาบางอย่างแต่ก็อยากพึ่งมองข้ามคำตอบง่ายๆแบบย่าปากข้อจากสามัญสำนึกเป็นอันขาดใช้แก่คนหนึ่ง กำลังนั่งสารพร้อมอยู่ใต้ต้นไม้ในบ้านของตนพร้อมคือผาดชนะทรงกลมขนาดใหญ่สารด้วยไม้ไผ่ชาวบ้านใช้ใส่พันุ์ข้าวเก็บไว้จนกว่าจะถึงฤดูทำนาโดยข้าวไปนั่งอยู่ข้างในพร้อมแล้วก็สารขึ้นรอบๆตนเองเขาสารเพลินไปกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ปรากฏว่าพร้อมนั้น สูงท่วมหัวเสียแล้วเพราะเหตุใดไม่ทราบใช่แก่ของเราอยู่ในภาวะอัดอั้นตันปัญญามืดแปดด้านไม่รู้จะออกไปจากพร้อมได้อย่างไรคิดอย่างไรอย่างไรก็คิดไม่ออกพระอาทิตย์สูงขึ้นจนถึงเที่ยงวันหิวก็หิวแต่ก็ยังคิดไม่ออก ชายแก่เลือบไปเห็นเด็กสองสามคนกำลังเล่นกันอยู่ในบริเวณนั้นเด็กเหล่านั้นก็คือหลานๆของเขาเองแต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าเด็กเหล่านั้นจะช่วยตนได้อย่างไรเพราะขนาดตนเป็นผู้ใหญ่มีความรู้และประสบการณ์สูงก็ยังคิดไม่ออกแต่เพื่อเป็นการเสี่ยงดูชายแก่ได้ตะโกนพูดกับเด็กเหล่านั้นว่า นี่หนูลองถ่ายสิว่าตาจะออกจากพร้อมนี้ได้อย่างไรถ้าใครทายถูกจะให้รางวัลหนึ่งบาทเด็กทุกคนหันไปมองหน้าชายแก่ด้วยความประหลาดใจเขาจะสงสัยก็ได้ว่าทำไมชายแก่จึงถามปัญหาง่ายเช่นนั้นเด็กปากไวคนหนึ่งได้ตอบไปว่าไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลย คุณตาก็ล้มพร้อมลงนอนกับพื้นก่อนเสร็จแล้วก็คลานออกมาเท่านี้เกิดสิ้นเรื่องชายแก่ได้ยินแล้วหัวเราะหึอด้วยความสงสารสมเพศตนเองเพราะคำตอบของเด็กช่างง่ายได้และถูกต้องจนแทบไม่น่าเชื่อแต่เพื่อไว้ลายคนแก่เขาได้ตอบไปว่าคำตอบของแก่ถูกต้อง ตรงกับที่ข้าคิดไว้ไม่มีพิษเอาเอารางวันไปบาทหนึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งคำตอบที่ถูกต้องอยู่ใกลๆ้ๆแต่เรามองไกลไปเองจึงทำให้เรามองไม่เห็นดังนั้นเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าปัญหาทุกอย่างมีคำตอบอยู่ในตัวมันเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่หนักหน่วงเพียงใดก็ตามถ้าเราระงับจิตใจนั่งคิดทบทวนหลายๆรอบในที่สุดก็จะได้พบคำตอบ